วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ามาหาศาลยิ่งกว่าเสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเรื่องที่เราไม่รู้ที่เป็นคุณประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเราคืออะไร ก็คือเรื่องของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งคุณค่ามาหาศาลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและมีคุณค่ามากกว่ารางวัลที่หนึ่ง รางวัลที่เราได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานคือการได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อสัตว์โลกที่จะสามารถทำได้โดยลำพังของตนเอง จะทําจะไปนิพพานกันได้นี้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาพาไปเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้จะต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้า ที่นานๆนจะมีปรากฏขึ้นมาสักพระองค์หนึ่งเวลาของพระพุทธเจ้าที่มาปรากฏนี้เป็นเวลาที่ยาวนานมากระหว่างระหว่างองค์ที่มาปรากฏจะทิ้งช่วงเป็นระยะเวลาหลายล้านล้านปีเลยถึงจะได้มีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้ มาตัดสรุ้พระธรรมอันประเสริฐแล้วก็นำเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราให้ได้รู้จักวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือเรื่องที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันอาจจะไม่เห็นคุณค่า ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้กันเพราะว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดมาแล้วจะพบกับพระพุทธศาสนาทุกๆุกทุ ก, ท, กทุกครั้งไปนานๆถึงจะได้มีโอกาสได้มาพบอย่างที่ได้พูดไว้ว่ายากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง การกกตัวกัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้ง่ายกว่าการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายมนุษย์เหล่านี้เกิดง่ายเกิดยากกว่าการมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุใดเพราะว่าจํานวนของสัตว์เดรัจฉานที่เกิดกันนี้ มีมากกว่าจํานวนของมนุษย์ที่มาเกิดกันถ้าเราเปรียบเทียบกับประชากรของมนุษย์กับประชากรของสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในโลกนี้มนุษย์นี้มีจํานวนน้อยกว่าหลายล้านเท่าด้วยกันและการเกิดของมนุษย์นี้ก็เกิดยะกการที่จะมีลูกแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่าย แล้วมีก็ไม่เป็นจำนวนมากมีกันครั้งละหนึ่งคนและบางทีก็ไม่มีกันไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเวลาเขาออกลูกออกเต้านี้ก็ออกมาเป็นฝูงกันนี่คือความยากง่ายของการมาเกิดเป็นมนุษย์กับการมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน และก่อนที่จะมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปในนรกหรือในสวรรค์ก่อนถ้าได้ทําบุญไว้มากกว่าทําบาปก็จะไปอยู่ในสวรรค์ก่อนถ้าทําบาปมากกว่าทําบุญก็จะไปอยู่ในอบายอยู่ในนรกก่อน ตอนที่จะได้มามีสิทธิ์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรอเวลาที่มีมนุษย์เขาผลิตลูกถึงจะได้มาเป็นมนุษย์กันนี่คือความยากของการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วการยากของการมาเกิดของพระพุทธเจ้านี้ก็ยิ่งยากกว่าอีกหลายเท่า ผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือต้องเป็นต้องเป็นมนุษย์ผู้ที่ได้สร้างสมบุญบารมีมาอย่างมากมายเช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่มาเกิดแล้วก็มาออกบวชแล้วก็มาบรรลุมาตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้ จะชอบทำกันทุกคนชอบที่จะอยู่กันอย่างสุขสบายอยู่กับความร่ำรวยต่างๆอยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่กับความสุขความสบายที่ทรัพย์สมบัติจะมอบให้กับเราแต่เจ้าชายสิทธัตถานี้ท่านกลับเห็นว่าทรัพย์สมบัติความสุขความสบายนี้เป็นเหมือนกับดักที่จะดัก ให้ท่านติดอยู่ในวัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกับดักที่จะดึงให้ท่านกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆไม่มีใครจะคิดแบบเจ้าชายสิทธัตถะกันส่วนใหญ่เราจะคิดอยากจะอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายในโลกนี้กันอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นใหญ่เป็นโตกัน เพราะเราคิดว่าเมื่อเราเป็นใหญ่เป็นโตรเราเ่ําเรารวยเราจะได้มีความสุขกันแต่เป็นความสุขที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขที่มีกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวาตามมาต่อไปถ้าเราติดกับความสุขทาง ร่างกายนี้เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะมาหาความสุขแบบเดิมที่เราเคยหากันแล้วพอเรามาเกิดเราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้เจอมากบ้างเจอน้อยบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะของแต่ละคน บางคนเกิดมาก็ลำบากตั้งแต่เกิดเลยพ่อแม่ยากจนแลน้แค้นหากินอย่างยากลำบากบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนก็มีเวรมีกรรมมีเรื่องมีราวกับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆ บางคนก็ไปประสบกับอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆการมาเกิดเป็นมนุษนี้ไม่ใช่เกิดบนกองสุขอย่างเดียวว่าจะได้สุขแต่ละครั้งนี้ต้องทุกข์กันค่อนข้างจะมากพอสมควรแต่เรามักจะมองข้ามความทุกข์เหล่านี้ไปเรามองไปที่ความสุขที่เรานานๆจะได้สักครั้งหนึ่ง เวลาที่เราได้ไปเที่ยวกันเวลาที่เราได้เงินได้ทองมากันเวลาที่เราได้รับตำแหน่งรับยศต่างๆเวลานั้นเรามีความสุขมีความดีอกดีใจกันแต่เวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเรากลับมองไม่เห็นหรือกลับไม่คิดถึงมัน เวลาที่เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราวิตกกังวลหวาดกลัวกับภัยต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้มันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เรามาเกิดกันแล้วเวลาต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นเหมือนคนแก่ต้องเป็นเหมือนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ต้องเป็นเหมือนคนตายเวลานั้นเรายิ่งจะทุกข์มากกว่าตอนที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้แต่เพราะว่าเราไม่คิดถึงมันมันเล ย, เยทำให้เราคิดว่าเราจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้กันแต่มันกำลังรอเราอยู่ความแก่ความเจ็บความตายนี่มันไม่หนีไปไหนมันเป็นสิ่งที่มันจะรอต้อนรับเรา ถ้าเรามาเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เรากลับมาเกิดก็เพราะความชอบความยินดีกับการหาความสุขต่างๆในโลกนี้นั่นเองเรายินดีเราชอบที่จะหาความสุขจากราบยสศสรรเสริญ เราชอบที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทธพะชนิดต่างๆความชอบความยินดีเหล่านี้แหละที่เป็นตัวคอยดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบสิ้นถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ ที่จะเป็นผู้ที่จะมาบอกความจริงให้กับพวกเราให้รู้ว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยการเป็นเกิดการมาเกิดนี้ไม่เป็นสุขสุขที่ได้นี้ไม่คุ้มกับทุกข์ที่ได้รับมาถ้าทําธุรกิจก็ขาดทุนเกิดกาไรน้อยกว่ารายจ่ายรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอย่าไปทําให้เสียเวลาดีกว่า ปิดกิจาการปิดธุรกิจดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่า ท, ทําทีไรแล้วแจ้งทไไําไปทาไมทําไปทีไรก็ขาดทุนเกิดมาทีไรก็ขาดทุนทุกครั้งไปเพราะเราจะต้องมาเจอกับความทุกข์มากกว่าความสุขที่เราได้รับกันแต่เราเป็นคนคิดไม่เป็นคิดบัญชีไม่เป็นก็เลยคิดว่าเรากําไรกัน คิดว่าเรามีความสุขกันเพราะเราเอาความทุกข์ไปซ่อนเอาไว้นั่นเองด้วยการไม่คิดถึงมันด้วยการพยายามลืมมันความทุกข์ในอดีตก็พยายามไม่คิดถึงมันขมคืนขนาดไหนก็ลืมมันความทุกข์ที่จะมาในข้างหน้าก็ไม่พยายามคิดถึงมัน ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็พยายามหนีมันอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรกันหรอกเราวิ่งหนีความทุกข์กันพอเรามีความทุกข์ไม่สบายใจเราก็ไปหาอะไรไปวิ่งหนีมันด้วยการไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปเที่ยวบ้างไปหาเพื่อนบ้างไปดูหนังบ้างไปฟังเพลงบ้างไปทำอะไรต่างๆ เพื่อที่จะหนีความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่แม้ว่าเราจะหนีอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาเราก็เจอมันใหม่เราต้องกลับมาบ้านกลับมาที่เราทำงานที่ที่เรามีความทุกข์กันมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่บ้านที่เราอยู่อยู่ที่ทำงานที่เราทำกันนั่นเองเช่นพอเรามีโอกาสอาทิตย์นี้มีวันหยุดสามวัน เราก็หนีออกจากบ้านกันหนีจากที่ทำงานกันหนีไปอยู่ที่มันไม่มีความทุกข์หนีไปเที่ยวกันแต่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาที่ทำงานเพราะเราต้องมาหาเงินทองเพื่อที่จะเอามาใช้จ่ายต่อไปการหาเงินทองนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราต้องเจอปัญหาต่างๆ เจอความทุกข์ต่างๆกันแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่คิดกันไม่ไม่ดูกันไม่มองกันเราก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่มีความทุกข์กันแต่ความจริงเราทุกข์ทั้งอดีตทุกข์ทั้งปัจจุบันทุกข์ทั้งอนาคตแต่เราไม่คิดถึงมันเราคิดแต่สุขที่เราเคยได้ในอดีตคิดถึงสุขที่เราได้ในปัจจุบัน คิดถึงสุขที่เราจะได้ในอนาคตกันมันก็เลยเป็นการหลอกลวงตัวเองหลอกให้เราจมติดอยู่กับกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองเราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่เห็นความทุกข์อย่างชัดเจนเป็นผู้ที่เอ มาสอนมาบอกให้เรารู้ว่าการมาเกิดของพวกเหล่านี้เป็นการมาเกิดหาความทุกข์กันไม่ได้เป็นการมาเกิดหาความสุขกันถ้าเราอยากจะไม่ต้องเจอความทุกข์ถ้าเราต้องเจอแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเราต้องไม่มาเกิดกันเพราะการไม่มาเกิดนี่แหละเป็นการที่จะมีความสุข มากที่สุดเพราะว่าตาบใดถ้าเรายังมาเกิดอยู่ตาบนั้นเรายังจะต้องเจอความทุกข์กันอยู่ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่มีไม่อยากมีความทุกข์นี้ต้องไม่มาเกิดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พิสูจน์แล้วด้วยตนเองว่าการไม่มาเกิดนี้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดพราเมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการพัดพากจากสิ่งที่เรารักไม่มีการพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันนี่แหละคือเรื่องราวของที่เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเรา เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ของพวกเราที่พวกเรามองไม่เห็นกันหรือคิดไม่เป็นกันเราเลยต้องมาอาศัยความคิดของพระพุทธเจ้าความคิดของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมาสอนให้เราคิดให้เห็นความจริงกันเมื่อเราได้เห็นความจริงกันเราจะได้มาแก้ปัญหากันได้อย่างถูกจุด ตอนนี้เราแก้ปัญหาผิดจุดเราแก้ปัญหาด้วยการมาเกิดกันด้วยการมาหาความสุขจากการที่เราได้มาเกิดกันเรามาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลเถรพระชนิดต่างๆแต่มันเป็นความสุขนิดเดียวเพราะว่ามันมีความทุกข์ แถมมาด้วยติดมาด้วยความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี้มันน้อยกว่าความทุกข์ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะน้อยกว่าราบยศสรรเสริญแต่เรามองไม่เห็นกันเราไม่คิดถึงเหมันกันเราคิดไม่เป็นเราเห็นแต่ความสุขที่เราจะได้จากราบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเราต้องมาสูญเสียสิ่งที่เราได้ไปนี่อันนี้เราคิดไม่ถึงมองไม่มองไม่เป็นเรามักจะคิดว่าสิ่งใดที่เราได้มาแล้วย่อมอยู่กับเราไปตลอดย่อมให้ความสุขกับเราไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันยับยัง้งไม่มีวันหยุดแต่ที่ไหนได้อยู่ดีดีวันดีคืนดีก็มีการพัดผ้าจากกันไป <c oughs> การพัดผ้า ก, ก็มีอยู่สองลักษณะจากกันตอนเป็นหรือจากกันตอนตายนะเช่นเราได้คนที่เรารักมาเราก็จะคิดว่าเราจะต้องอยู่กับเขาไปตลอด แต่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกันเขาไม่จากเราเราก็จากเขาไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายพ อ, อได้เจอกับการพัดพากจากกันความสุขที่ได้จากบุคคล น, นั้นก็หายไปหมดสิ่งที่ได้กลับมาแทนที่ความสุขก็คือความทุกข์เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้นี่แหละเป็นความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันหรือไม่ยอมมองกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันมีมาแล้วก็มีไปมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมได้ มีการเจริญลาบยศสรรเสริญสุขแล้วก็มีการเสรื่อมลาบยศสรรเสริญสุขเวลาเสื่อมลาบเราก็เสียใจกันเวลาเราหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายใช้ไปใช้มาเงินทองหมดอันนี้พอเงินทองหมดทีนี้ก็วุ่นวายกันแล้วนี่ ตำแหน่งยศก็เหมือนกันเวลาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ดีอกดีใจกันพอเวลาที่ต้องเสียตำแหน่งไปก็เศร้าโศกเสียใจกันการสรรเสริญเวลาได้มาก็ดีอกดีใจพอเสียการสรรเสริญได้การนินทากลับมาได้การว่ากล่าวตำหนิตีเตียนกลับมา ความสุขที่ได้จากสรรเสริญก็หายไปความทุกข์ที่ได้จากการถูกตำหนิติดเตียนก็เข้ามาแทนที่ความสุขที่เราได้จากการไปเสพรูปเสียงกิน่นรดพอมันหมดไปมันก็ทำให้เรารู้สึกอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวด้เวลาเราไปเที่ยวกันเราสนุกสนานกันไปเที่ยวไปพบปะ ก, กับเพื่อนฝูงไปทำอะไรกัน แต่พอเราต้องกลับมาอยู่คนเดียวเราก็เกิดความเศร้าเกิดความว้าเหวขึ้นมาทันทีนี่แหละคือสิ่งที่เป็นทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกันมองไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนไปในทางที่เราชอบบ้างก็มีเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบก็มีเวลาเปลี่ยนไปในทางที่ชอบก็ไม่เสียใจดีใจแต่เวลาเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบก็เสียใจเช่นถ้าได้ขึ้นเงินเดือนนี่เราดีใจกันถ้าถูกตัดเงินเดือนหรือ ถ, ถูกไล่ออกจากทำงานเราจะเสียใจกัน ถ้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆจะดีใจอยากนายร้อยได้เป็นนายพันจากนายพันได้เป็นนายพลแต่ถ้าถูกถู ก, กเกษียณอายุหรือถูกไล่ออกถูกปลดแทนที่จะดีใจก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจกันสำหรับคนที่เขาไม่ได้ราบยศสรรเสียนสุข เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าเราไม่เคยได้เงินได้ทองมาพอเราไม่ได้เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรถ้าเราไม่เคยได้ยศได้ตำแหน่งมาพอเราไม่ได้เราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอย่างไรถ้าเราไม่เคยได้รับการสรรเสริญเยินยอจากใครเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเวลาที่ไม่มีใครมาสรรเสริญเยินยอให้กับเรา ถ้าเราไม่ได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะชนิดต่างๆเวลาที่เราไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภพพะเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดนี่แหละคือความจริงที่เราไม่คิดกันไม่คิดว่าการที่เราไม่ไปมีลาบยศสรรเสริญไม่มีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผธพะนี่ มันดีมันดีกว่าการมีเพราะเวลามันมีนี่มันมีโอกาสที่จะหมดได้มีโอกาสที่จะจบมีโอกาสที่จะต้องพัดพากจากกันถ้าไม่มีก็ไม่มีโอกาสที่จะต้องพัดพากจากกันก็จะไม่มีความทุกข์ตามมานี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขกันจริงๆ อยากจะมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์เราต้องหยุดหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภแล้วให้เรามาหาความสุขจากการาควบคุมจิตใจหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลถภา ถ้าเราสามารถาหักข้ามจิตใจของเราได้ใจของเราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากการละ ง, งับการไปเสพไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ผ่านทางร่างกายถ้าเราสามารถระ ง, งับการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายกันไม่ต้องมาเกิดกันพอเราไม่เกิดแล้วก็มันก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายกันนั่นเองนี่คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งและได้ทรงปฏิบัติจนได้พบได้ผลอันที่พึงพอใจอย่างยิ่งคือการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของลาบยศสรรเสริญสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายพอพระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้แล้ว พระองค์ก็นำเอามาสั่งสอนพวกเราที่ไม่รู้กันต่อไปใครที่ได้ยินได้ฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เราเรียกท่านว่าพระอรหันตสาวก ค, คาว่าพระอรหันต์นี่หมายความว่าผู้ที่หยุดความยินดีในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้แล้วนั่นเองเป็นผู้ที่หยุดหาลายบยศสรรเสริญหยุดหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพ้ะได้แล้วผู้ที่ทำด้วย ด้วยพระ อ, องค์เองด้วยตนเองมีอยู่คนเดียวคือทมโดยที่ไม่มีใครสั่งใครสอนคือพระ อ, อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, อรหันต์นี้เรามีแบ่งเป็นสองแบบด้วยกันพระ อ, อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระ อ, อรหันต์ด้วยตนเองไม่มีใครสั่งใครสอนได้เพราะไม่มีใครรู้วิธีว่าทำอย่างไรถึงจะ หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้คนที่สามารถพ้นความพบวิธีที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นคนแรกนี้เราเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพวกที่มาได้ศึกษาได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำเอาไปไปฏิบัติจนสามารถหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้สามารถหยุดความทุกข์ต่างๆได้เนเราก็เรียกว่าพระอรหันตะสาวกคาว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ศึกษาหรือผู้ฟังนี้เองสาวกนี้เป็นเหมือนนักเรียนนักเรียนนี้ต้องมีอาจารย์สอนอาจารย์ที่จะสอนให้เป็นพระอรหันต ก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่สั่งสอนใครเราก็ไม่เรียกท่านว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเรียกท่านว่าพระประเจกพุทธเจ้าพระปัิเจกพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่หลังจากที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ สุดพ้นจากการมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่ได้ไปสั่งสอนใครรู้คนเดียวถ้าเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาตามมาการจะมีพระพุทธศาสนาได้นี้ต้องมีพระรัตนไตรครบองคคือต้องมีพระพุทธเจ้าผู้ตั้จรู้แล้วก็นําเอาความรู้นี้ มาเผยแผ่สั่งสอนเรียกว่าพระธรรมคําสอนแล้วเมื่อมีการเผยแผ่สั่งสอนก็จะมีผู้ศึกษาผู้เล่าเรียนผู้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุผลได้ก็เรียกว่าเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาหรือพระอาหารหันตสาวกขึ้นมานี่คือองค์ประกอบ ที่จะทำให้มีพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีสามองค์นี้แล้วพระพุทธศาสนาจะง อ, งอกเงยขึ้นมาไม่ได้เช่นถ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วไม่สั่งสอนใครเมื่อไม่สั่งสอนใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครบรรลุตามได้ไม่มีพระอริยสงฆ์ปรากฏขึ้นมาได้ เมื่อไม่มีพระอริยสงฆ์พอพระพุทธเจ้าตายไปก็จะไม่มีใครมาสืบทอดพระพุทธศาสนาได้แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนมีพระอริยสงฆ์สาวกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็ยังมีพระอริยสงฆ์สาวกมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ความรู้ ที่จะทำให้ผู้ศึกษาได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็จะมีการมาศึกษากันแล้วมาศึกษาแล้วก็จะปฏิบัติแล้วก็จะหลุดพ้นกันพอหลุดพ้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่งนี่คือการทำให้าศาสนาปรากฏขึ้นมา และการทำให้ศาสนานี้อยู่มาได้เป็นเวลาอันยาวนานนี้ก็เพราะมีพระรัตนตยครบสามองค์นั่นเองต้องมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนเมื่อปรากฏแล้วก็มีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนก็เป็นการปรากฏของพระธรรมคำสอนขึ้นมาเมื่อมีการเผยแผ่คำสอนก็จะมีผู้ศึกษาผู้ฟัง ผูปฏิบัติตามพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก, ก็จะสําเร็จผลปฏิบัติก็จะบรรลุผลหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นก็จะเป็นพระอริยสงฆ์ปรากฏขึ้นมาที่จะสามารถสืบทอดพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ให้อยู่ในโลกนี้ได้ต่อไปนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของภาษาวอกที่มีความแตกต่างกันดังที่ได้แจ้งมาดังที่ได้แสดงมาถ้ามีพระพุทธเจ้าแต่ไม่แสดงธรรมไม่สอนใครก็จะไม่มีาศาสนาพุทธตามมาเพราะว่าจะเป็นพระปฏิเจกกะพุทธเจ้า รู้เฉพาะตนไม่สามารถไปสอนผู้อื่นได้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถที่จะเอาความรู้ที่พระองค์ได้ส่งรู้มาเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้อื่นได้รับรู้ mm hmm. ก็จะมีพระธรรมคําสอนปรากฏขึ้นมาในโลกแล้วก็จะมีพระอริยสงสารวงปรากฏขึ้นมาตามลําดับนะพอมีพระอริยสงสารวงแล้ว mm hmm. ก็จะมีการ เผยแพร่สั่งสอนพระธรรมคําสอนได้ไปอย่างกว้างไกลและยาวนานเพราะจะมีพระอริยสงสาวกแต่ละแต่ละชุดมาทําหน้าที่แทนกันพอชุดนี้ตายไปก็มีชุดต่อไปมาทําหน้าที่แทนกันพระพุทธศาสนาก็เลยไม่สูญหายไปจากโลกนี้อยู่มาได้จนบัดนี้ก็สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว วันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาพร้อมคบองค์นี้คือวันไหนก็วันเพ็ญเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาลหะบูชานี่ที่ผ่านมาเมื่อสี่เดือนก่อนตอนนี้เราอยู่ในเดือนอเดือนสิบสองนี่ผ่านมาสี่เดือนวันเพ็ญเดือนแปดวันเพ็ญเดือนแปดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ พระธรคำสั่งสอนเป็นครั้งแรกก่อนที่จะมาประกาศพระธรรมคำสั่งสอนได้ก็ต้องตัดจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนวันที่พระพุทธเจ้าตัดจะรู้ก็คือวันเพ็ญเดือนหกสองเดือนก่อนที่พระองค์จะมาประกาศพระธรรมคำสอนในวันเพ็ญเดือนหกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่งคนพบความจริงสัจธรรมว่า การเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์การที่จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ต้องหยุดความยินดีในการที่จะมาหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอตัดความยินดีความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป พพระองค์ทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วพระ อ, องค์ก็ใช้เวลาใค่ควรพิจารณาว่าจะทำอย่างไรดีกับความรู้อันนี้จะเก็บไว้เฉยๆไม่บอกใครดีหรือว่าจะเอาไปสอนไปบอกคนอื่นดีตอนต้นพระ อ, องค์ก็ไม่อยากจะสอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะฟังนั่นเอง พอคนทุกคนเกิดมาแล้วก็อยากจะมาหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้กันทุกคนมาเกิดนี้พอเกิดแล้วก็อยากจะได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกันถ้าไปสอนให้เขาหยุดเขาก็อาจจะไม่ฟังอตอนต้นพระองค์ก็เลยสองจิตสองใจใจหนึ่งก็ไม่อยากจะสอน ใจหนึ่งก็เห็นคุณค่าคุณประโยชน์อันมหาศาลของพระพุทธศาสนาของคำของพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตัดรู้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับรู้ได้นํเอาอไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งจนในที่สุดพระองค์ก็ทรงตัดสินพระไถวว่าจะเผยแผ่สั่งสอนแต่จะเลือกสอนคนที่สนใจที่จะฟัง พระองค์ทรงได้แยกแยกคนที่จะสามารถรับพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้นี้เป็นสี่พวกด้วยกันที่เราเรียกว่าบัวสี่เหล่านี้เองมีมีผู้คนที่ยินดีจะฟังแล้วสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันส่วนกลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกที่ไม่ยินดีไม่ชอบที่จะฟังทำ ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามพวกกลุ่มที่สี่นี้พระพุทธเจ้าก็ตัดสินใจไม่ไปสั่งไปสอนเขาสั่งสอนพวกที่สนใจมีอยู่สามพวกด้วยกันแต่ต่างกันที่ความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้พวกที่หนึ่งนี้เป็นพวกที่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสามารถปฏิบัติได้ทันที สามารถบรรลุผลได้ทันทีอันนี้เป็นพวกที่พระ อ, องค์ทรงเปรียบว่าเป็นเหมือนบัวเหนือน้ำํำบัวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วพอได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมาทันทีพวกนี้เป็นพวกที่จิตใจพร้อมที่จะรับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์พอได้ฟังเทศฟังธรรมแล้ว ใจิตใจที่มืดบ่อยก็จะสว่างสวัยขึ้นมาเป็นเหมือนดอกบัวที่หุบที่จะบานขึ้นมาทันทีนี่คือกลุ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะรับประโยชน์ได้ทันทีรวดเร็วก็เลยมุ่งไปสอนพวกนี้ก่อนพวกนี้ก็คือพวกที่เป็นนักบวชทั้งหลายนี้เองพวกที่เป็นนักบวชคือพวกที่เขามีศีลแล้ว มีสมาธิแล้วพวกนี้เขาฝึกขัดนั่งสมาธิกันจนสามารถควบคุมความยินดีความชอบในการหาความสุขต่างๆทางโลกนี้ได้แล้วแต่ยังไม่สามารถกาจัดมันให้หมดไปเท่านั้นเองกาจัดได้ห้ามได้ก็เฉพาะตอนที่เข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานแต่เวลาออกจากฌานมาออกจากสมาธิมา ความอยากความชอบในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะกำจัดมันให้หมดไปได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงค้นพบวิธีว่าวิธีที่จะทำให้ทำลายความอยากที่จะมาหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงได้นี้ต้องเห็นด้วยปัญญา เห็นว่าสิ่งที่เราอยากจะหามาให้ความสุขกับเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอพอได้มาก็ดีใจมีความสุขพอหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่มันเป็นของเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็จากเราไป อันไรเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ทันทีนี่คือปัญญาหรือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ ทรงตัดสรุเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นสิ่งที่น่าดูก็ทรงพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นน่าดูบางครั้งบางเวลาบางส่วนเท่านั้นบางส่วนก็ไม่น่าดูเช่นร่างกายของคนเราบางส่วนของร่างกายเราก็น่าดูบางส่วนของร่างกายเราก็ไม่น่าดู ถ้าเราไปดูส่วนที่มันน่าดูเราก็เกิดความอยากได้เขาขึ้นมาถ้าเราไปมองในส่วนที่ไม่น่าดูมันก็จะทำให้เราไม่อยากได้เขามาเนออันนี้คือวิธีแก้ความอยากต่างๆแก้ด้วยความจริงที่เราไม่คิดกันไม่มองกันนั่นเองเรามักจะคิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริง สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามักจะไปมองว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาส่วนที่เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเรากลับไปมองว่ามันเป็นสุภะเป็นของที่สวยของที่ไม่น่ารับประทานเรากลับไปมองว่ามันเป็นของที่น่ารับประทานกันมันก็เลยทำให้เราติดเราอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเอง แต่พอเราพิจารณาความจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอสุภะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานมันก็จะทำให้เราตัดความอยากต่างๆในสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าสามารถสอนให้พวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วสามารถรับเอาไปปฏิบัติได้ทันทีเลย พอพอทรงแสดงทำให้พวกกลุ่มนี้พอเขาได้ฟังปั๊บก็ได้บรรลุธรรมกันขึ้นมาทันทีเลยได้เป็นพระ อ, อริยสงสาวกันขึ้นมาทันทีในวันเพ็ญเดือนแปที่พระพุทธเจ้าทรงไปแสดงพระธรรมเทศนาครัง้งแรกก็ทรงแสดงให้กับพระปัจจวัขีที่เป็นนักบวชที่มีศีลที่บริสุทธิ์ที่มีสมาธิมีจิตที่สงบ ตังมัน่นพร้อมที่จะรับคําสั่งคําสอนอันประเสริฐได้ <Yeah. S 1> พอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอา น, นิจังทุกขังอนัตตาทรงสแสดงอรยิยสัจสีให้แก่พระปัญจรวาคีหนึ่งในพระปัญจรวาคีที่มีปัญญาอันจแหลมคมก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีเห็นนั่นนิจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเจนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราอยากได้นี้เรามักจะมองไม่เห็นว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะดับเราจะคิดว่ามันไม่ดับเราจะคิดว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่คนที่มีปัญญาจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนอัตตานี่คือกลุ่มแรกที่พระเจ้าทรง คิดว่าเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับพระธรรมคำสอนได้พระองค์ก็เลยในช่วงระยะแรกๆของการเผยแผ่ธรรมจะมุ่งไปสอนให้แก่พวกนักบวชทั้งหลายจึงปรากฏมีพระอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากในระยะเพเวลาเจา7เดือนเท่านั้นเองระยะเวลาเจดเดือนคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8 ไปถึงวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคะบูชาวันนั้นก็ปรากฏว่ามีพระอาหารหันตสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนได้บรรลุได้แยกย้ายกันไปเผยแผ่ธรรมตามสถานที่ต่างๆได้มีความปรารถนาที่อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน ก็เลยมารวมตัวมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชาวันมาคาบูชาก็คือวันที่มีพระสาวกอาหารหันตสาวกนึพันสรหรูปที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เป็นผู้สอนได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ละคือจำนวนของผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระสาวกภายในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนนี้ มีถึงพันสรสองร้อยรูปเป็นอย่างน้อยเพราะว่าพวกที่ไม่ได้มาก็อาจยังจะมีอยู่หลายรูปด้วยกันนี่คือความมหัศจรรย์ของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาประกาศพระธรรมคำสอนนี้ไม่มีพระอาหารหันตสาวกแม้แต่รูปเดียวปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เลย แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงประกาศพระธรรมคําสอนก็มีมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมากันเป็นจํานวนมากและก็มีปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นและแม้แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากโลกนี้ไปแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็มาช่วยเผยแผ่แผสั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐให้แก่พวกที่ไม่รู้พวกที่สนใจนำเอาไปปฏิบัติ ก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้นี่คือการเป็นมาการเป็นไปของพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วศาสนาก็จ ะ, จะเจริญลุ่งเรืองไปตามล ำ, ำดับตราบใดที่ยังมีพระ อลาหาันตสาวกปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆการที่จะมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการแสดงธรรมมีการศึกษาธรรมต้องมีการศึกษามีการเผยแผ่สั่งสอนเมื่อมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมก็จะนำไปสู่การปฏิบัติธรรมไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพราะถ้าไม่ได้ฟังธรรมนี้แล้วไปปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติแบบไม่ถูกก็ได้ไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบก็ได้การที่เราจะปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นี้เกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้องเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องเป็นธรรมที่เกิดจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาสั่งมาสอน พอเราได้ฟังธรรมที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาสั่งมาสอนเราก็จะสามารถนำเอาอไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เราก็จะสามารถบรรลุผลขึ้นมาได้บรรลุปเป็นพาาราะอรหันตสาวกขึ้นมาได้แล้วเมื่อมีพาาระอรหันตสาวกก็จะมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเผยแผ่ธรรมะอีกทอดหนึ่ง ทำกันมาอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องดังนั้นาศาสนาพุทธของเรานี้จะอยู่ได้นานหรือไม่ดานนี้อยู่ที่ว่ามีการศึกษาพระธรรมคําำคำสอนจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เมื่อได้มีการสั่งสอนมีการศึกษาแล้วมีการนำเอาไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เมื่อมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะปรากฏ มีพระอรหันตสาวกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือการอยู่ของศาสนานี้อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุธรรมอยู่ที่การเผยแผ่ธรรมของผู้บรรลุธรรมอันนี้เป็นแก่นของศาสนาถ้าตราบใดมีองค์ประกอบสี่องค์นี้ศาสนานจะไม่มีวันสูญหายไปหน่อยะ ถ้ามีการเผยแพร่คาสอนด้วยพระอาหารหันตสาวกมีการศึกษาแล้วก็มีนานมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีการบรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่คือแก่นหัวใจของศาสนาที่พวกเราถ้าเรามีความจงรักภักดีต่อศาสนา อยากจะให้ศาสนาของเราอยู่กันไปนานๆขอให้เรามาทำนุบมรุงกันที่ตรงจุดนี้จุดการศึกษาปฏิบัติบรรลุ ธ, ธรรมและเผยแผ่ธรรมไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องถาาวรวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีกุฏิวิหารศาลาของพวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยง มันมีเจริญแล้วมันก็เสื่อมได้ปลูกมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาเดี๋ยวไม่กี่ปีมันก็พังได้เสียได้แต่ของพวกนี้จะมีหรือไม่มีไม่มีผลต่อการมีหรือไม่มีของพระพุทธศาสนาการจะมีผลต่อพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่ว่ามีการศึกษาพระธรรมคําสอนจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ เมื่อมีการศึกษาแล้วมีการนำเอาไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมีการบรรลุธรรมขึ้นมาหรือไม่ถ้ามีการบรรลุธรรมแล้วมีการนำเอาไปเผยแผ่ธรรมต่อไปศาสนาจะอยู่ได้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะมีโบสถ์หรือมีเจดีหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรมีศาลาหรือไม่มีศาลามีกุติหรือไม่มีกุติ ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญนี้ไม่มีถาวราวัตถุเลยพระพุทธเจ้าอยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าอยู่ใต้ร่มไม้อาจจะนําเอาใบไม้กิ่งไม้มาทําเป็นเพิงพอหลบแดดหลบฝนได้หรือถ้าไม่ได้อยู่ตามโคนไม้ก็อาจจะไปอยู่ในถ้ำอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามเรือนร้างต่างๆ นี่แหละคือที่อยู่ของพุทธศาสนาในยุคของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราอย่าหลงประเด็นกันอย่าไปคิดว่าศาสนาของพวกเราอยู่ที่ถาวรละวัตถุ ก, กันอย่าไปคิดว่าต้องสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างกติแล้วก็ต้องให้สร้างแบบสวยๆงามๆวิจิตรพิสดารอย่างที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ยุคนี้เป็นยุคที่เราจเจริญทางด้านวัตถุ ก, กันคนมีเงินมีทองกันมากก็อยากจะทำบุญกันอยากจะทำบุญด้วยการสร้างวัดกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆกันแต่ตาวัลวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถผลิตพรอาอรหันตสาวกขึ้นมาได้เราให้มีวัดสวยงามขนาดไหนมีพระพุทธรูปใหญ่ขนาดไหนก็ตาม ไม่สามารถที่จะมาสอนให้ให้ผู้ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใบบรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกได้ถ้าเรามุ่งไปที่การสร้างถาวรและวัตถุจนลืมแก่นของศาสนาต่อไปศาสนานี้จะหายไปได้เพราะจะไม่มีใครมาสนใจที่จะมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมจะไม่มีใครสนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมกัน เมื่อไม่มีการปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีการบรรลุธรรมไม่มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมากันเมื่อไม่มีพระอาหารหันตสาวกก็จะไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนํำมาทำอันประเสริฐมาเผยแผ่ให้แก่ผู้ไม่รู้ที่จะเอาไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็จะไม่มีการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กัน เมื่อไม่มีการบรรลุไม่มีการเผยแผ่สั่งสอนต่อไปศาสนาก็จะหายไปถึงแม้จะมีวัดวารามเยอะแยะแต่วัดวารามเหล่านั้นไม่สามารถผลิตพาาารตะอรหันตสาวกได้เมื่อไม่มีพระอรหันตสาวกที่มาเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐศาสนาก็จะกลายเป็นศาสนาที่มีแต่เปลือกแต่ไม่มีเนื้อกัน มีวัดวาอารามมีโบสถ์เจดีย์มีพระพุทธรูปที่สวยงามยิ่งใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆกันสร้างเจดีย์หลังใหญ่ๆกันสามารถผลิตผ้าอัญมา์ได้ไหมไม่ได้แล้วต่อไปใครจะมาศึกษาจากใครถ้าไม่มีพาา้าอัญมณ์ตระสาวกมาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีใครที่จะสอน ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถึงแม้จะมีพระไตรปิฎกมีพระธรรมคำสอนที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ตามแต่ไม่มีคนอ่านกันอ่านก็ไม่เข้าใจกันไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องกันต้องมีคนที่ปฏิบัติมาแล้วคนที่มีประสบการณ์มาแล้วมาคอยบอกคอยสอนเท่านั้นถึงจะสามารถปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้อง นี่ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องนำมามาพิจารณากันอย่ามุ่งไปที่การสร้างถาวรวัตถุเพียงอย่างเดียวสร้างได้แต่ให้มันมีขอบมีเขตมีประมาณถ้ามีกำลังทรัพย์อยากจะสร้างก็สร้างไปแต่การมีกำลังทรัพย์นี้ก็เพื่อที่จะให้เราหยุดการหาเงินหาทองหรือง แล้วก็เอาเงินที่เรามีเหลืออยู่นี้ไปสร้างวัดกันแต่เป้าหมายของเราก็คือเราต้องการหยุดหาเงินหาทองหยุดใช้เงินเราจะไปบวชกันเราจะไปศึกษาธรรมกันเราจะไปปฏิบัติธรรมกันคนที่ไปบวชไม่จําเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้ามีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็บริจาคไปสร้างวัดก็ได้สร้างเจดีย์ก็ได้สร้างโบสถ์ก็ได้ หรือจะเอาไปทำอะไรก็ได้อันนี้คือเรื่องของการทำบุญถ้ามีเงินมีทองแต่อยากจะไปบวชอยากจะไปศึกษาปฏิบัติธรรมเงินทองไม่มีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาปฏิบัติก็เอาไปทำบุญอย่างใดอย่างหนึง่งอยากจะสร้างวัดก็สร้างได้แต่อย่าไปเสียเวลากับการสร้างวัดให้คนอื่นเขาสร้างให้เงินเขาไปแล้วก็จบเราก็ไปปฏิบัติไปศึกษากัน ถ้าเราไปสร้างเองเราก็จะไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติอันนี้คือความหมายของการทําบุญสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปในโลกนี้ก็ต้องไปศึกษาไปปฏิบัติไปบรรลุ ธ, ธรรมกันจะศึกษาปฏิบัติบรรลุ ธ, ธรรมได้ก็ต้องเป็นนักบวชกัน เมื่อเป็นนักบวชก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้ามีทรัพย์สมบัติเงินทองก็บริจาคไปที่ไหนเขาสร้างวัดก็ให้เขาไปสร้างกันเออหรือถ้าเห็นว่าวัดพอแล้วก็ไปสร้างโรงเรียนสร้างพยาบาลโรงพยาบาลหรือสร้างอะไรก็ได้แต่เราอย่าไปสนใจเราสนใจอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุ ธ, ธรรมเพราะมันจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและกับ พระพุทธศาสนาต่อไปผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้บรรลุธรรมก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธศาสนาก็จะมีผู้ที่นําเอาพระธรรมมันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปอย่างนี้ศาสนาของเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆ อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุดแล้วผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุก็จะได้รับประโยชน์จากการ ที่มีพระพุทธศาสนาพอจะทำให้ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของพวกเราที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้ว่าความสำคัญของการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ ของการที่เราได้ า, าพบกับพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่ตรงที่เรามาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันนั่นเองเพราะอันนี้จะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีคุณค่ามหาศาลที่สุดไม่มีอะไรคุณค่าต่อการที่เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตาเยเกิดกันต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตต่อให้ร่มให้รวยขนาดไหน ก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติได้บรรลุเป็นพออาระอรหันตสาบกแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปจะมีแต่บร ม, มสุขคือพระนิพพานเป็นนางวันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่เรียกยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข และการสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวาหาปุราปะริโุเลนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุ ป, ปกับปะติอิติตังปะทิตังตุมหังกิ ป, ปะเมวะสัมิจิจาตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสภโรโควินาสตุมาเตภวตโนอันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีิตสะนิจังอุทาปจายโนจตารโหธรรมาวัานติอายุวันโอสุขังภาลั